พวกเรามาวัดกันก็เพื่อมาหาธรรมะหาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นที่พึ่งทางใจไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งทางใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นที่พึ่งทางร่างกายแล้วก็พึ่งไม่ได้ตลอดเป็นที่พึ่งชั่วคราวแต่ธรรมะ ของพระพุทธเจ้านี้เป็นที่พึ่งถาวรใครมีที่พึ่งแล้วใครมีธรรมะแล้วจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์แต่ถ้ามีเงินทองมียศถาบรรดาศักดิ์มีอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะไม่สามารถมาทำใจให้เราสุขไม่ให้ทุกข์ได้ ทำใจให้สุขก็สุขได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่จะให้เราสุขตลอดเวลาจะทำให้เราไม่มีความทุกข์ทางจิตใจไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่ได้มาทาให้ใจเราทุกข์ได้ถ้าใจมีธรรมะ เป็นที่พึ่งแล้ เ, เราควรที่จะเข้าหาธรรมะกันการที่เราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งเราก็ต้องเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติมาปฏิบัติกันเพียงแต่รู้ว่าธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างไม่เป็นที่พึ่งได้ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะได้ที่พึ่งทางใจใพระพุทธเจ้าสอนให้เราทาบุญทาทานเพราะการทาบุญทาทานนี้เป็นเหมือนให้อาหารกับใจเวลาเราทาบุญแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจถ้าเราไม่ทาเพียงแต่รู้ว่าเป็นอาหารก็เหมือนกับอาหารทางร่างกายถ้า เรารู้ว่าร่างกายเราจะอิ่มได้เราก็ต้องมีอาหารรับประทานถ้าเราไม่รับประทานอาหารร่างกายก็จะไม่อิ่มฉันใดใจก็เหมือนกันถ้าอยากจะให้ใจอิ่มใจมีความสุขก็ต้องทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เราทาบุญเราจะรู้ในความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจนี่คือ เรื่องของที่พึ่งทางใจเป็นเหมือนที่พึ่งทางร่างกายร่างกายต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยฉันใดใจก็ต้องมีธรรมะที่เป็นปัจจัยสี่อาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานเครื่องนุ่งห่มของใจก็คือศีล เพเราถ้าไม่มีเครื่องนุ่ห่มเราก็ไม่ไมน่าดูไม่มีใครกล้าออกจากนอกบ้านถ้าไม่มีเครื่องนุ่งหมไว้สวมใส่เวลาเราจะออกนอกบ้านเรามักจะหาเสื้อผ้าสวยๆงามๆใส่แล้วพอออกมานอกบ้านคนเห็นเค้าก็จะชื่นชมยินดีถ้าเราออกมาล่อนจ้อนคงจะมีแต่คนโห่ไล่ ถ้าไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ใจก็เหมือนกันใจของเราก็ต้องมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ถึงจะน่าดูน่าชมเสื้อผ้าของใจก็คือศีลศีลคือการไม่ทําบาปห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายามเมา ถ้าใครรักษาศีลห้าได้ไปอยู่กับใครก็ไม่มีใครรังเกียจมีแต่คนยินดีมีคนชื่นชมไว้ใจได้เชื่อใจได้อยู่กับคนที่ไม่ทําบาปแล้วมีแต่ความสบายใจคนที่มีศีลจริงเป็นคนที่น่ารักถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่สวยงามแต่ถ้าใจมีศีลจะเป็นคนที่น่ารักกับคนที่มีร่างกายที่สวยงาม แต่ไม่มีศีลเพราะความสวยงามหรือความไม่สวยงามของร่างกายไม่ได้ไปทำร้ายผู้อื่นแต่การไม่สวยงามทางจิตใจนี้ไปทำร้ายผู้อื่นได้ถ้าไม่ไม่รักษาศีลหา้าไปอยู่กับใครก็ชอบขโมยข้าวของเขาชอบโกหกหลอกลวงถ้าใครเขาจับได้เขาก็จะไม่เขาก็จะไม่อยากจะให้เราอยู่ด้วย เพราะเป็นภัยเป็นอันตรายกับเขาดัางนั้นถ้าเราอยากจะให้ใจเราสวยงามเป็นที่น่ารักของบุคคลทั่วไปเราต้องรักษาศีลห้าให้ได้อย่าฆ่าอย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดอย่าดื่มสุราอย่าเมาเวลาดื่มสุราแล้วก็เมาเมาแล้วก็อาลวาด ทำลายข้าวของทุบตีคนนั้นคนนี้ผู้ชายหยาบคายเพราะเวลาเมาแล้วไม่มีสติคอยควบคุมอารมณ์นึกอยากจะพูดอะไรนึกอยากจะทําอะไรก็ทําไปคนที่เดืม่มโซลาร์จึงเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ผีตามมาแนละ้ว ทอนลางเสียงนะอันนี้ก็ความสวยงามของใจอยู่ที่การมีศีลห้าใจของเรานี่จะจะเป็นอะไรนี่อยู่ที่ศีลถ้าเรารักษาศีลห้าได้ใจเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ แต่ถ้าใจเรารักษาสีลห้าไม่ได้ใจเราจะเสื่อมไปเป็นอย่างอื่นถ้าทำถ้าทำบาปแล้วเนี่ยใจจะไม่เป็นมนุษย์ใจจะเริ่มเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกนเวลาตายไปเนี่ยใจก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายไปตกนรก เพราะการกระทําบาปนี้เป็นสาเหตุที่จะทําให้ใจนั้นต้องไปเกิดอยู่ในสภาพเหล่านั้นแต่ถ้ารักษาศีลได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายามเมาเวลาตายไปก็จะไม่ไปเกิดในอบายจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะใจยังเป็นมนุษย์อยู่เหมือนเดิม การจะเป็นมนุษย์ได้นี่ต้องมีศีลห้าต้องไม่ทำบาปถึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์แล้วถ้านอกจากรัษาศาีลแล้วยังทำบุญด้วยใจก็จะเป็นเทวดาใจจะเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทวดาสูงกว่ามนุษย์เทวดานี้สูงกว่าสูงกว่าเพราะอะไรเพราะมีความสุขมากกว่ามีความสุข ที่ได้จากการทำบุญเวลาเราทำบุญทำทานนี้ําให้ใจเราสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นเป็นเทวดามากขึ้นเทวดาก็มีหลายชั้นสวรรค์ก็มีหลายชั้นอยู่ที่บุญที่เราทำมากทำน้อยทำมากทมากก็ได้ชั้นสูงทำน้อยก็ได้ชั้นต่า หมกับไปซื้อบ้านซื้อถ้ามีเงินน้อยก็ซื้อบ้านราคาถูกซื้อบ้านาโครงการของที่เขาเรียกโครงการอะไรที่ละบ้านราคาต่ำเอออาทรนแต่ถ้ามีเงินเยอะก็ไปซื้อโครงการกหรูหราต่างๆได้มีเงินยิ่งมากยิ่งซื้อบ้านนะหลังละ้ส50ล้านร้อยล้านได้ ถ้ามีเงินค้าห้าแสนก็ไปซื้อบ้านเอื้ออาทรสวรรค์จึงจึงต้องมีชั้นต่างๆเพราะการทาบุญของเรานี้ทำมากน้อยต่างกันไปทำมากก็จะได้มากรายการมากน้อยของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันเราวัดกันด้วยจํานวนเงินไม่ได้เช่นคนสองคนทำบุญพันหนึ่งด้วยกันเท่ากัน แต่คนที่ทําบุญพันหนึ่งอาจจะมากกว่าอีกคนหนึ่งก็ได้ถ้าเราต้องมองที่สัสดส่วนของเงินทองที่เรามีอยู่ถ้าเรามีมืมีหมื่นหนึ่งเราทำพันหนึ่งนี่เราก็ทําร้อยละสิบแต่ถ้าเรามีแสนหนึ่งเราทําพันหนึ่งก็ทําแค่ร้อยละหนึ่งดนั้นความรู้สึกของคนสองคนที่ได้ทําบุญจะต่างกันมีความสุขใจไม่เท่ากัน คนที่ทำบุญร้อยละสิบนี่จะมีความสุขมากกว่าคนที่ทำบุญร้อยละหนึ่งถึงแม้ว่าจำนวนเงินจะเท่ากันยนั้นคนจนเรือคนรวยนี่สามารถที่จะทำบุญแล้วมีความสุขเท่ากันได้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินต้องเท่ากันเพราะความสุขใจมันไม่ได้วัดอยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่อยู่ที่ปริมาณของการเสียสละ ว่าเราเสียสละข้าวของเงินทองของเรานี้ไปมากน้อยเพียงไรถ้าเราเสียสะ100ละร้อยละหนึ่งเราก็มีความสุขแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราเสียสะ100ละร้อยละสิบเราก็ได้ความสุขระดับสิบมันมากกว่ากันแต่แม้ว่าจะเงินทองจะเท่ากันสองคนจะเท่ากันคนสองคนบริจาคกละพันแต่คนหนึ่งนี่เขามีแค่หมื่นเดียว เอาเบอจากพันหนึ่งนี้ก็เขาก็เสียไปร้อยละสิบแต่คนหนึ่งมีแสนหนึ่งเบรจากไปพันเดียวก็แค่ร้อยละหนึ่งนะั่นเองถ้าคนที่มีเงินแสนอยากจะมีความสุขเท่ากับคนที่มีเงินหมื่นก็ต้องเบริจากหมื่นหนึ่งร้อยละสิบเหมือนกันคนสองคนถ้าเบริจากร้อยละสิบก็จะมีความสุขเท่ากัน คนที่มีหมื่นหนึ่งก็บริจากไปพันหนึ่งคนที่มีแสนก็ต้องบอริจากไปหมื่นหนึ่งคนที่มีล้านก็ต้องบอริจากไปแสนหนึ่งถึงจะเกิดความรู้สึกเท่ากันความรู้สึกในใจที่เราได้เสียสละเงินทองที่เราลากเราหวงไปมันจะทำให้เกิดความสุขใจอันนี้คือคือความแตกต่างกันในเรื่อง ปริมาณเงินทองแต่ปริมาณบุญนี่ไม่ไม่ต่างกันถ้าทำเท่ากันคือถ้าทำเท่าสัด ส, ส่วนของเงินทองที่เรามีอยู่เรามีเราทำร้อยละสิบไม่ว่าเราเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คนที่ทำร้อยละสิบก็จะได้บุญระดับเดียวกันได้ความสุกระดับเดียวกันอันนี้ก็คือ เรื่องของการทำบุญมีความแตกต่างกันส่วนในในใจของคนคนเดียวกันถ้าทำบุญอยากอยากให้มีความสุขมากขึ้นก็ต้องเพิ่มจากร้อยละสิบเป็นรนะ้อยละยี่สิบจากร้อละยี่สิบเป็นรนะ้อยละสามสิบบางคนทำเต็มร้อยเลยก็มีเชื่อไม้มบางทีเขาจะออกบวชกันนี้เขาก็สละไปหมดเลย เพราะเขาอยากจะได้บุญที่สูงกว่าบุญที่จะทำให้เขาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องไปบวชถ้าไม่บวชก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดังนั้นคนที่อยากจะไปเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติในโลกนี้ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติในโลกนี้เพราะการที่ทำให้เรากลับมาเกิดกันก็เพราะเรายังยึดติดกับทรัพย์สมบัติในโลกนี้อยู่ เราอยากอยากมีทรัพสมบัติอยู่ยังอยากจะใช้ทรัพสมบัติมาให้ความสุขกับเราอยู่แต่ก่อนที่เห็นว่าการที่กลับมาเกิดนี่มันไม่ดีเพราะเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย mm. ก็ไม่อยากจะกลับมาเกิดการจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องสละไม่ไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติไม่ใช้ทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องมือหาความสุข ให้หาความสุขจากการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นธรรมขั้นสูงขั้นขั้นต่อจากศรรีลถ้าเรารักษาศีลาได้แล้วต่อไปถ้าเราอยากจะบวชเราก็จะบวชได้ถ้ายัางรักษาศีลไม่ได้นี่จะบวชก็บวชไม่ได้เพราะว่าจะไม่สามารถรักษาศีลได้นักบวช ยังต้องถือศีลมากกว่าศีลห้าต้องถืออย่างน้อยศีลแปดศีลสิบถ้าเป็นพระก็ต้องศีลสองรอยี่บเจ็ดถึงจะสามารถที่จะไปปฏิบัติธรรมไปทำใจให้สงบทำใจให้ยุยติการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้ผู้ที่จะไปบวชผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตาย ก็จะทำบุญเต็มที่ดูพระพุทธเจ้ามีราชาสมบัติก็สละราชาสมบัติเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะราชกุมารมีปราสาทสามฤ ด, ดูมีทรัพย์มีบราิาสัท บ, บริวารไว้คอยรับใช้ตอบสนองความต้องการทุกประการแต่พระองค์ก็เห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว พอต่อไปร่างกายก็จะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายไปตอนนั้นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจได้พระองค์ก็เลยเห็นภัยของการของความแก่ความเจ็บของความตาย mm hmm. เห็นภัยของการมาเกิดก็เลยอยากจะไปยุติการเวียนว่าตายเกิด ก็ได้ทราบว่าจะต้องไปเป็นนักบวชเพราะนักบวชจะมีเวลาที่จะมาหยุดใจหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>ผู้คองเรือนนี้ยังหยุดไม่ได้เพราะผู้คองเรือนอยังอาศัยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาให้ความสุขอยู่ก็เลยต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ ผู้ที่ไม่ได้เป็นนักบวชนี่ยังหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะชอบดูชอบดูชอบฟังชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวชอบเล่นอันนี้เป็นความสุขแต่เป็นความสุขที่ไม่ไม่อิ่มไม่พอสุขแล้วเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็อยาก ก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มต้องหาไปร่างกายตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆพพชาติที่พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันนี้ มันมีจํานวนมากจนกระทั่งรเราไม่สามารถเขียนด้วยตัวเลขได้ว่ามีกี่ล้านเขาท้เจ้าบอกว่าถ้าอยากจะรู้ปริมาณของการเกิดแก่เจ็บตายของเราก็เอาน้ำตาที่เราหลั่งแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยเวลาเราเสียใจเวลาเศร้าใจเราร้องไห้กันเนี่ยถ้าเรารวบรวมน้ำตาที่เราอา่ร้องเนี่ยมารวมกัน มันจะมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรกิดดูจะต้องมาร้องไห้กี่ครั้งถึงจะบินน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละนี่คือปริมาณของความทุกข์ที่พวกเรามีกันปริมาณของการเกิดแก่เจ็บตายที่พวกเราทำกันมาและจะทำต่อไปเรื่อยๆถ้าเรายังแสวงหาความสุขจาก สิ่ง ต, งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ยังหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัฏาอยู่เราก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคําสอนหรือพระอริยสงสาวร เราก็จะได้มาเรียนรู้ว่าใจของเราเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่าใจของเรานี้เป็นนักท่องเที่ยวในวัฏจักรในสังสารวัฏในในโลกของการเกิดแก่เจ็บตายร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เราไม่ได้ เราไม่ได้เปลี่ยนตัวที่ตัวที่เปลี่ยนคือร่างกายร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นตัวรับใช้เราเราต้องมีร่างกายเราถึงจะดูได้ถึงจะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายไว้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดภ พ, พะกันพอเวลาเราไม่มีเราก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานเราก็ต้องไปหาร่างกายไปรอรับร่างกายอันใหม่ พอเกิดแล้วก็ต้องมาทุกกับการเลีเ้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายแล้วก็ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายทุกกับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ไปทุกกับการพลาดพลาดจากบุคคลต่างๆไปนการเกิดจึงถือว่าเป็นทุกข์การมาเกิดนี้เป็นการมาหาความทุกข์ ถึงแม้ว่าจะมีความสุขก็เป็นความสุขเล็กน้อยที่บังความทุกข์เอาไว้เหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลาเห็นเหยื่อมันก็คิดว่าเป็นอาหารก็รีพุบพุบเหยื่อพอพุบเหยื่อก็ถูกเบ็ดตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเหยื่อมันปิดไม่ให้ทำให้ไม่เห็นตัวตัวเบ็ด อัในใดความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันบังความทุกข์ไว้เรามองไม่เห็นความทุกข์กันแต่เห็นแต่ความสุขเห็นเงินเราก็ดีอยากจะได้กันเห็นตําแหน่งก็อยากจะได้กันเห็นรางวัลต่างๆที่เขาแจากก็อยากจะได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสก็อยากจะได้แต่พอได้มาแล้วเป็นยังไง มันก็ทำให้เราทุกข์เพราะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะหวงได้อะไรมาเราก็หวงแล้วก็หว ง, ลว ก, หวงกลัวมันจะหมดแล้วพอมันหมดก็ทุกข์อีกเพราะว่าไม่มีอะไรไม่หมดไม่มีอะไรที่ไม่มีการจากกันของต่างๆที่เราหากันได้นี่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันไป ไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายนี่คือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเรามองไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรามันจะหมดได้มันจะเปลี่ยนได้มันจะหายไปจากเราได้เห็นหม้เวลาคนแยกทางกันตายจากกันนี่ร้องห่มร้องไห้กัน เวลาสูญเสียงข้าวของเงินทองไปเช่นเวลาเกิดไฟไหม้บ้านไม่ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองในบ้านก็ร้องโหมร้องไห้กันเพราะ น, นี่เป็นธรรมชาติของสิ่งต่ตางๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ถาวรมันไม่มั่นคงมันมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อม มีการเกิดแล้วก็มีการดับอันนี้เรามองไม่เห็นกันเราก็เลยยังหาสิ่งเหล่านี้กันอยู่ยังหาลาบยศสรรเสริญยังหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่แล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เวลาที่มันจากเราไปอันนี้เป็นความทุกข์ที่เรามองไม่เห็น ถ้าเราไม่ได้มาฟังจากคนฉลาดจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคำสอนหรือจากพระอริยสงสาวโกเราจะไม่คิดว่าราบยศสรรเสริญนี้เป็นทุกข์กันเราจะคิดว่าเป็นสุขกันเพราะทุกวันนี้ที่เราหาก็หาราบยศสรรเสริญกันแต่เรามองไม่เห็นความทุกข์เวลาหาเงินนี่สุขหรือทุกข์กันกวาจะได้เงินมาสักบาทนึงสุขไหม เหนื่อยเมื่อยล้าขนาดไหนแต่ก็ทนเอาเพราะเห็นว่าเวลาได้เงินมาแล้วมันเอาไปใช้แล้วมีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขแป๊บเดียวทำงานส0สวันสุขแค่วันเดียววันเงินเดือนออกพอเงินเดือนออกไปใช้ไม่กี่วันก็หมดละแล้วก็เรามาทุกข์กับการทำงานนี่เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ ถ้าเราไม่ใช้เงินใช้ทองได้เราก็ไม่ต้องไปหาเงินทองกันไม่หาเงินทองเราก็ไม่ต้องทุกข์การหาเงินทองนี้มันทุกข์นะไม่ใช่ถูกต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต้องคอยคิดด้วยวิธีการต่างๆว่าจะหาเงินหาทองได้อย่างไรดังนั้นคนฉลาดก็ เลิกหาเงินหาทองดีกว่าเพราะเห็นว่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลิกหาเงินหาทองบอกไปบวช ด, ดีกว่าเมื่อไปบวชก็ไม่ต้องใช้เงินทองใช้ลําแข้งลําขาหิวก็ไปเข้าไปหมู่บ้านถือบาตรเข้าไปมีอาหารได้เท่าไหร่ก็กินไปตามมีตามเกิดที่อยู่อาศัยก็นอนตามโคนไม้นอนตามเงื่อมผา นอนตามถ้ำนอนตามที่มีหลบแดดหลบฝนได้ก็พอนี่ก็อยู่แบบสุขแต่แต่เรากลับมองเห็นว่ามันทุกข์มันอาจจะลำบากทางร่างกายไม่มีบ้านใหญ่โตอยู่ไม่มีอาหารที่เราจะเลือกกินได้เราเลือกถ้าเรามีเงินเราเลือกได้อยากจะกินอาหาระนิดไหน แต่ถ้าไม่มีเงินก็ต้องกินตามมีตามเกิดได้เป็นขอทานขอทานได้ได้อาหารอะไรมาก็กินมันไปตามภาษาของขอทานแต่มันก็ได้ผลเหมือนกันคืออิ่มเหมือนกันจะมีเงินซื้ออาหารเลือกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้กับการไปขอทานมากินเวลากินอิ่มมันก็อิ่มเหมือนกันผลเท่ากัน จะนอนบ้านราคากี่ล้านหรือนอนอยู่ในในถ้ำก็เปนก็ที่หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันนอนหลับได้เหมือนกันฉะนั้นคนฉลาดจึงเลือกอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินดีกว่าเพราเมื่อไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงินการหาเงินก็เหน็ดเหนื่อยหาได้มาเท่าไหร่ก็มักจะหมดมักจะไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็เดือดร้อนกัน ปวดหัวกันว่าจะเอาเงินที่ไหนมาโปะบางทีก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอีกแล้วถ้ากู้แล้วไม่ใช้เขาก็เดี๋ยวก็มีปัญหาถูกจับไปติดคุกติดตารางอีกการมีเงินถึงเป็นทุกข์แต่เรามองไม่เห็นกันทุกวันนี้พวกเราทุกข์กับเงินทองหรือสุขกับเงินทองความสุขที่ได้จากเงินทองกับความทุกข์ที่ได้จากเงินทองนี้อันไหนมากกว่ากัน ต้องทํางานทุกวีทุกวีทุกวันเราได้ความสุขจากการใช้เงินทองแค่แป๊บบเดียวคนฉลาดก็เลยรู้ว่ า, เ, าเงินทองนี่เป็นทุกข์ราบยศสารเสริญทุกอย่างเหมือนกันหมดได้ตําแหน่งมาก็ดีใจเดี๋ยวเวลาเสียตําแหน่งไปก็เสียใจได้รางวัลมาก็ดีใจเวลาไม่ได้รางวัลก็เสียใจ พวกดาราที่ทุกปีเนี่ยไปรอรับตุกตาทองกันเนี่ยเวลาที่เขาแจกก็นั่งนั่งลุ้นกันคนไหนได้ก็ดีใจคนไหนไม่ได้ก็เสียใจของพวกนี้มันไม่ใช่จะเป็นสุขอย่างเดียวนอกจากสุขแล้วมันยังมีทุกข์ด้วยแล้วทุกข์มากกว่าสุขถ้าไม่ฉลาดจะมองไม่เห็น ถ้าโง่ก็จะคิดว่าสุขมากกว่าทุกก็จะติดอยู่กับราบยศสรรเสริญติดอยู่กับรูปเสียงเกลด็ดรถก็จะกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆตายไปก็จะกลับมาตายไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็มาหาราบยศสรรเสริญก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่คนฉลาดเขารู้ว่ามีวิธีที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้ โดยที่ไม่ต้องอาศัยลาบยศสารเสิญไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสวิธีที่จะอยู่ยังมีความสุขก็คือการปฏิบัติธรรมการทําใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขไม่ต้องมีลาบยศสารเสิญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสเห็นไหมพวกนักบวชนี้เขาไม่เหมือนพวกเรา ก็ไม่มีทรัพสมบัติไม่มีข้าวของอะไรเยอะแยะเหมือนพวกเราพวกเราต้องมีอะไรไว้คอยเลี้ยงตาหูจมูกลิ้นกายมีทีวีมีมือถือมีเครื่องเสียงมีอะไรสารพัดสารเบไว้คอยให้ความสุขกับตาหูจมูกลิ้นกายแต่นักบวชนี่เขาไม่มีอะไรตัวเปล่าๆปาพระธุดงนี่ไปอยู่ในป่าคนเดียวกลางกดกลางมุ้งอยู่คนเดียวนั่งสมาธิ กับมีความสุขมากกว่าความสุขที่พวกเราได้จากสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่กันแล้วก็ไม่มีความทุกข์เพราะความสุขของท่านเป็นความสุขที่ท่านเก็บเอาไว้ได้รักษาไว้ได้แต่ความสุขของพวกเรานี้ไม่แน่นอนพอไฟดับปั๊บก็ทุกข์แล้วใช่ไหมพอไฟฟ้าดับนี่จะดูทีวีก็ดูไม่ได้จะชาร์จแบตก็ชาร์จไม่ได้จะติดต่อคนนั้นคนนี้ทาอะไรไม่ได้หมดเลยพะไม่มีไฟฟ้า ความสุขของพวกเรามันเป็นความสุขแบบบนเส้นได้เหมือนมันมีโอกาสที่จะขาดได้ตลอดเวลาแต่ความสุขของนักบวชนี่เป็นความสุขที่ถาวรถ้ารู้จักทำใจให้สงบรู้จักหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกาย ความสุขแบบนี้ใช้สติคอยหยุดความคิดคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดหยุดความอยากถ้าหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจจะสงบใจจะสุขใจจะเบาใจจะสบายอันนี้แหละเป็นวิธีหาความสุขของคนฉลาดพวกเราโง่แต่เราฉลาดได้คนเราไม่โง่ไปเสมอ วิธีจะ ท, ทำให้คนโง่ฉลาดทำยังไงก็ไปให้ไปอยู่ใกล้กับคนฉลาดที่เราส่งลูกไปโรงเรียนส่งไปทไมส่งเพื่อให้มันไปอยู่กับคนฉลาดใช่มโรงเรียนมีแต่ครูนี่ยครูก็จะสอนความรู้วิชาต่างๆให้กับลูกหลานเราจะได้มีความรู้เพื่อจะได้เอาความรู้นี้ไปหาความสุขได้เป็นแต่ว่าความรู้ทางโลกยังเป็นความสุขทางโลกอยู่ท่านความรู้ทางโลกเป็น เป็นการทำให้เราหาความสุขทางโลกที่ยังเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ที่เสื่อมได้หมดได้อยู่แต่ถ้าเราไปอยู่กับคนฉลาดทางธรรมนี่เราจะได้เรียนรู้ความรู้ทางธรรมจะทำให้เราฉลาดขึ้นมาอย่างวันนี้ไม่ญาญโ ย, ยไม่เคยคิดเลยใช่ไหมว่าราบยศสารเสวนี่เป็นทุกข์กัน วันนี้มาได้ฟังของแปลกของแปของใหม่ความจริงแล้วมันทุกข์มากกว่าสุขแต่เรากลับมองไม่เห็นกันเหมือนยาเสพติดเนี่ยมันมันทุกข์กับสุขกันไหนมากกว่ากันคนติดยาเสพติดเขาก็จะเห็นว่ามันสุขมากกว่าทุกข์แต่คนที่ไม่ติดนี่รู้ว่ามันทุกข์มากกว่าสุขจึงไม่ไปติดมันคนฉลาดทางธรรมก็เหมือนกัน จะรู้ว่าความสุขทางลาบยศจะรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรอนนิ่มันทุกข์มากกว่าสุขก็เลยไม่ไปเสษมันดีกว่าไปเสพความสุขที่ไม่มีทุกข์ดีกว่าความสุขที่ไม่มีทุกข์ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้พระพุทธเจ้าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัติสันติปรังสุขขังสุขใด สุขอื่นที่จะเหนือกว่าความสงบไม่มีอันนี้แหละถ้าพวกเราได้มาเจอคนฉลาดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รู้จักความสุขแบบนี้กันทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเรามีกำลังที่จะทิ้งความสุขแบบเก่าได้หรือเปล่าแล้วมีกำลังมาสร้างความสุขแบบใหม่ได้หรือเปล่าเพราะความสุขแบบใหม่นี้กว่าจะได้มันเหมือนปีนเขานะ มันไม่เหมือนกับเดินลงเขาความสุขที่ได้จากความสงบนี้ต้องทอรหดอดทนต้องมีความพยายามมากต้องพยายามหยุดความคิดให้ได้และการจะหยุดความคิดได้ก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติต้องพยายามสร้างสติเช่นวิธีสร้างสติทำยังไงก็ให้คิดอยู่กับคำเดียวเรื่มเดียวอย่าปล่อยให้คิดถึง เรื่องราบยศสรรเสริญอย่าปล่อยให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเพราะถ้าปล่อยให้คิดแล้วมันจะเกิดความอยากอยากแล้วมันจะทรมานถ้าไม่ได้สิ่งที่อยากได้แต่ถ้าเราควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้ความทรมานใจก็ไม่เกิดไม่ต้องไปจะทำให้เราไม่ต้องไปหาราบยศสรรเสริญกันจะทำให้เราอยู่เฉยๆมีความสุขได้ เราต้องขยันพุโทโธการบริกรรมพุโทโธนี้เป็นวิธีหยุดความคิดหยุดความอยากเราต้องหมั่นพุโทโธอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดอย่าให้คิดถึงลาบยศสรรเสริญอย่าปล่อยให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสพยายามให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปแล้วเวลามีเวลาว่างก็มานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธไป แล้วเดี๋ยวใจก็จะนิ่งจะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาพอมีความสุขใจแล้วทีนี้ก็ไม่มีไม่ต้องไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาต่างๆไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย mm hmm. เวลาร่างกายตายไปก็ไม่ต้อง ไปมีร่างกายอันใหม่เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายหาราบยศสันลเสริญไม่ต้องใช้ร่างกายหาลูกเสียง ก, กลิ่นรสต่างๆแล้วเพราะเรามีความสุขเอกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นความสุขที่ใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยากเท่านั้นเองพอหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจก็จะมีความสุขขึ้นมา ต่อไปใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอต่อไปเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วพระอรหันตสาวกก็ไม่ได้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วเพราะเกิดไม่ดีเกิดแล้วมันทุกข์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย การไม่ได้มาเกิดก็ไม่เนีมาถามว่าเราหายไปไหนเราก็ยังอยู่เราอยู่ในโลกทิพย์อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ชั้นสูงสุดของโลกทิพย์เราเรียกว่านิพพานสวรรค์ชั้นนี้สูงกว่าสวรรค์ที่ได้จากการบริจาคเงินทองเข้าของต่างๆแต่ก่อนจะไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดได้ก็ต้องผ่านสวรรค์ชั้นบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปก่อน ต้องบริจาคเงินทองที่มีอยู่ไปให้หมดเลยเราก็จะได้ขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดของการบริจาคเงินทองแล้วจากนั้นเราก็ไปสร้างเราก็ไปต่อยอดด้วยการไปฝึกจิตทำจิตให้สงบพอทำจิตให้สงบได้ก็ไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดอันนี้แหละเราไม่ได้หายไปไหน เวลาเราไม่ได้กลับมาเกิดนี่ไม่ได้ไปหายไปไหนเวลาที่เราตายไปตอนที่เราไม่มีร่างกายเราไม่ได้หายไปไหนถ้าเรายังทำบุญทำบาปอยู่เราก็ไปเป็นกายทิพย์ชนิดต่างๆถ้าทำบุญก็เป็นเทวดาเป็นพรหมไปถ้าทำบาปก็เป็นเปรตเป็นนสุนลกายเป็นนรกไปนี่คือกายทิพย์ของพวกเราทุกคนไม่มีวันตาย เพียงแต่ว่ามันจะไปอยู่ในสภาพไหนสภาพที่มีแต่ความสุขหรือสภ า, ท า, า, ทาพา ท, ภาที่มีแต่ความทุกข์ถ้าทําบาปกายทิพย์ก็จะไปอยู่ในสภาพที่มีแต่ความทุกข์ตอนที่ตอนนี้เราเป็นกายทิพย์นี้เราหาความสุขอย่างไรหาความทุกข์อย่างไรก็หาความสุขความทุกข์จากการฝันของเรานี่เวลาเราน อ, นอนหลับนี่เราไม่มีร่างกายใช่ไหมเราไม่ได้ใช้ร่างกายใช่ไหม ร่างกายนอนอยู่แต่ใจเรายังฝันอยู่นะใจยังหาความสุขหาความทุกขจากความฝันอยู่ถ้าทำบาปก็จะฝันร้ายถ้าทำบุญก็จะฝันดีฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์ฝันร้ายก็เรียกว่าบายช่วงที่เวลาที่ร่างกายตายไปช่วงนั้นใจเราก็อยู่ในในสภาพคนนอนหลับก็อาศัย อาศัยบุญและบาปเป็นตัวให้ความความสุขหรือความทุกข์กับเราถ้าทำบาปมันก็จะฝันลายฝันแต่เรื่องที่ไม่ดีฝันแต่เรื่องที่น่ากลัวถ้าทำบุญก็จะฝันแต่เรื่องที่ดีฝันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ร่างกายใหม่พอได้ร่างกายใหม่พอคลอดออกจากท้องแม่มาก็เตินขึ้นมาใหม่ ไปเปลี่ยนร่างกายแต่การเปลี่ยนร่างกายมันก็ไม่ดีตรงที่ว่าไม่ว่าจะได้ร่างกายมากี่ร่างเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเะนัไม่ไปเปลี่ยนร่างกายดีกว่าอยู่เป็นกายทิพย์ดีกว่าอยู่เป็นกายที่แบบที่ไม่ต้องมามีร่างกายดีกว่าจะมีจะอยู่แบบไม่มีร่างกายได้ก็ต้องหยุดความอยากต่างๆได้ หยุดความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หยุดความอยากหาลาบยศสรรเสริญหาลูกเสียงกลิ่นรสจะหยุดได้ก็ต้องมาปฏิบัติธรรมต้องฝึกสติพุโทโธพุโทโธควบคุมความคิดควบคุมความอยากอันนี้เราสามารถฝึกได้ของพวกนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนือวิสัยของพวกเรา แต่ว่าเราต้องเพียรพยายามเหมือนคนที่เขาวิ่งมาราธอนนี่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิ่งมาราธอนได้ทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันอยู่ที่ว่าจะมีความพยายามฝึกวิ่งมันหรือเปล่าถ้ามีความฝึกพยายามฝึกมันไปเรื่อยๆตอนต้นก็วิ่งวันละกิโลก่อนแล้วค่อยเพิ่มไปเป็นสองโลสามโลเดี๋ยวก็วิ่งได้เองการฝึกสติก็เหมือนกันตอนต้นก็พุทธโธวันละนิดวันละหน่อย ต่อมาก็เพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นต่อไปก็พุโทโธได้ทั้งวันคอยควบคุมความคิดได้พอนั่งนั่งสมาธิจิตก็สงบนิ่งได้มีความสุขได้อยู่ที่ความเพียรความพยายามเท่านั้นแหละตอนเริ่มต้นมันจะรู้สึกยากถ้าเราไม่เคยพุโทโธนี่เราพุโทโธได้สองคำหายไปละเดี๋ยวกลไปคิดถึงลาบยศจันลเสรนไปคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั่นเรื่องนี้ละเพราะจิตเราเคย คิดแบบนี้มันก็จะคิดแบบนี้มันจะคิดแต่หาหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยคิดพุดโทโธพุโทโธมันเลยคิดไม่ได้เราก็ต้องมาหัดมาสอนมันว่าต่อไปนี้ถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องงานการก็คิดพุดโทโธดีกว่าพอคิดไปเรื่องลาบยศสรรเสริญมันก็จะฉุดให้เราต้องไปหาลาบยศสารเสริญกัน ลองคิดพุทโดูพุทโทดูถ้าเรามีพุโทโธพุธโทโธเวลาเรานั่งเฉยๆจิตเราจะนิ่งจะสงบจะมีความสุขแล้วต่อไปเวลาเราอยากจะมีความสุขเราก็ไปนั่งเฉยๆไม่ต้องหาเงินไม่ต้องใช้เงินถ้าเรายังหาความสุขด้วยการใช้เงินอยู่เราก็ต้องไปหาเงินอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็มักจะไม่พอเพราะว่าเรามักจะใช้มากกว่าที่เราหาได้ แล้วก็จะมีปัญหาตามมาบางคนมีปัญหาถึงกับขั้นต้องไปขโมยเงินของคนอื่นมาใช้เพราะตัวเองหาเงินใช้ไม่พอแต่การอยากใช้เงินมันมีมากกว่าก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการไปขโมยเงินของคนอื่นบางทีก็ไปป้นธนาคารดีไม่ดีก็ถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางไปหรือโชคร้ายก็อาจจะถูกยิงตายไป พไม่สามารถหยุดความอยากได้ไม่สามารถหยุดความคิดได้แต่ถ้าหยุดความคิดหยุดความอยากได้จะไม่ไปทำบาปไม่ต้องไปทำอะไรให้เกิดภัยอันตรายกับตนเองนั่งอยู่เฉยๆมันจะมีภัยตรงไหนนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเป็นวิธีหาความสุขที่ดีดที่สุดไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องมีรถยนต์พาเราไปนู่นมานี่อยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ ไปตรงไหนเงียบๆ เ, เนี่ยไปอยู่ในปา่าคนเดียวนั่งพุโทโธพุธโทโธจิตสงบมีความสุขแหละนี่แหละคือเรื่องของธรรมะที่เราเรียกว่าเป็นที่พึ่งของใจเราถ้าเรามีธรรมะแล้วเราทําตามที่พระเจ้าสอนได้ทําบุญทําทานะทระัพย์ไปเรื่อยๆอย่าไปใช้เงิน อ, อย่าไปใช้เงินซื้อความสุขถ้ามีเงินอยากจะใช้เงินก็เอาไปทําบุญ ถ้าไม่เอาไปใช้ก็เก็บไว้สําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ได้แต่อย่าเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆเพราะมันจะไม่พอใช้ความสุขต่างๆที่ซื้อด้วยเงินพอซื้อมาแล้วมันก็หมดไปไปเที่ยวมันก็พอกลับมาบ้านมันก็หมดไปแล้วอยากจะไปเที่ยวใหม่ก็ต้องใช้เงินอีกเงั้นเอาไปทําบุญแล้วจะมีความสุขมากกว่ามันจะรู้สึกไม่ขิวจ ถ้าเราทำเงินเอาเงินไปทําบุญมันจะไม่หิวเหมือนกับเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวมันจะหิวอยู่เรื่อยๆเอาเงินไปทําบุญแล้วจะอิ่มจะอยู่บ้านเฉยๆได้จะไม่รู้สึกเหงาแตถ้าเอาเงินไปเที่ยวเวลาอยู่บ้านมันจะเหงามันอยากจะออกไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆวิธีเลือใช้เงินถ้าอยากจะใช้เงินก็อาไปทําบุญแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องเที่ยวเมื่อไม่ต้องเที่ยวก็ไม่ต้องหาเงินไม่ต้องใช้เงิน เราก็จะมีเวลามานั่งสมาธิมาพุทโธพุทโธพอเราพุทโธได้นั่งเฉยๆก็มีความสุขได้พอมีความสุขเราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ร่างกายแก่เราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วแล้วพอมันตายไปเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ ปัญหาของเราทั้งหลายก็จะหมดไปเราก็จะอยู่ในในโลกทิพย์บนสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระ น, นิพพานพระนิพพานนี้คือสวรรค์ชั้นสูงสุดของโลกทิพย์ลองลงมาก็สวรรค์ชั้นพรหมลองลงมาก็สวรรค์ชั้นเทพลองลงมาก็โลกของมนุษย์เนี่ยระดับของความสุขมันเป็นนี้สุขระดับมนุษย์แล้วก็ระดับเทวดาระดับพรหมแล้วก็ระดับพระนิพพาน ถ้าเราปฏิบัติทำหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้เราก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นนิพพานที่ไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเดกต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราเข้าหาธรรมมากกันพยายามศึกษาวิธีสร้างความสุขทางใจสร้างที่พึ่งทางใจว่าสร้างอย่างไรทำอย่างไรเมื่อรู้แล้วก็นาออกไปปฏิบัติ วันนี้ก็ทราบแล้วว่าถ้าอยากจะมีที่พึ่งทางใจมีความสุขทางใจก็ให้เริ่มต้นจากการทำบุญทำทานถ้าอยากจะเอาเงินทองไปเที่ยวเอาไปทำบุญจะมีความสุขมากกว่าแล้วก็รักษาศีลห้าไว้ตายไปจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องนอนฝันร้ายแล้วก็ไปหัดปฏิบัติธรรมหัดเจริญสติพุทโธพุทโธหัดนั่งสมาธิทาใจให้สงบ ใจสงบเมื่อไหร่ก็จะไปถึงสวรรค์ชั้นนิบานเมื่อ น, นั้นนี่คือสิ่งที่เราจะสามารถทําให้กับตัวเราได้ที่เราไม่รู้มาก่อนถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะคิดว่าเราต้องหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสที่จะกลายเป็นความทุกเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันจากเราไปดังนั้นก็ขอให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วพยายามศึกษาและพยายามปฏิบัติตามให้ได้แล้วรับรองได้ว่าเราจะมีที่พึ่งทางใจที่จะปกป้องรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพุเรนตุสังกปะยันโทปนะหราโสยะธาไมนิจุติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสสตุ มาเตผวะตวันตรายูสุขีทีขายุโกผวะอภิวะธนสิริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวัานติอายุวันโอสุขังภาลั S <S ใเนเวลาเจ้าหญิงนิทางก็นอนฝันไปถ้าทําบุญไว้ก็ฝันดีจิตยังทํางานเหมือนเดิมอยู่ อ, อยู่เหมือนเดิมก็เพียงแต่ออ น, นอนนอนหลับฝันไปนั่นเองเหมือนคนนอนหลับฝันไป อ, อ, อาศัยบุญอาศัยบาปเท่านั้นตอนนั้นนะเพราะทําเองไม่ได้ยังอยู่อยู่ถ้าร่างกายยังหายใจอยู่ยังอยู่ยังแยกกันไม่ได้ ต้องร่างกายหยุดทำงานก่อนถึงจะแ ย, ยกกั น, เ, นเขาไม่รู้เรื่องเขาคิดว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในโลกของความฝันเขาไปเขาก็อาศัยความฝันนี้เป็นเหมือนความจริงที่เราอยู่กันด้วยร่างกายนี้เขาไม่รู้ว่าเขาฝันแล้เากาคิดว่าเขากำลังเขาก็อยู่ในภพของเขา ภาวานิพพานคือกายคิดมันอยู่ใช่ไหมย yeah. อยู่หมดเนี่ยโอนึกว่าตับสูงไปไม่มีศูนย์ไม่มีศูนย์ที่ศูนย์คือกิเลสเข้าใจไหมคือประาานิพพานนี้พระอาจารย์หลายท่านก็พูดมาให้ตรงกันกาเลยว่มไม่ศูนย์ตัวจิตตัวจิตไม่ศูนย์จิตอยู่บนสวรรค์ชั้นนิพพานคือเป็นชั้นอ่าชั้นนิพพานเป็นความสุข<อ>เต็มร้อยความสุขถาวรชั้นอื่นเป็นความสุข ไม่เต็มไม่ถาวรเป็นพรมเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์เป็นเทพก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าเป็นนิพพานเราไม่เสื่อมก็โีก่ลกทิพย์เนี่ยโรทิพยไม่มีแบบไม่มีสะไรม่มีไม่มีจะเป็นร่างแบบเป็นทิพย์ใช่ะทุกคนคอยู่ในภาวะกายเรามีกายที่เพียงตอนนี้เรามาเล่นกับร่างกายก็เลย ก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกายไปแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายพอเวลาเราไม่มีร่างกายเราก็อาศัยบุญบาปที่เราทำมาเป็นตัวให้เราเพิดเพินต่อไปวันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ เฟ c e b o o สี่ร้อยยี่สิบ6ูร้อยยี่สิบหกวิทยุออนไลน์ยี่สิบสี่รับฟังบนข่าวสี่สิบหกรวมเป็นหกร้อยสิบห้าเจ้าคะ่ะวิทยุไม่ทราบสี่คนนะวิทยุออนไลน์สวิย <With S 1> <With S 2> ี่สิบสี่ถ้ามีคำถามก็ถามได้อะ อ, ะอยากจะถามก็ส่งคำถามเข้ามา เชิญถามเลยคำถามจากผู้ฟังบนเขาเจ้าค่ะกราบน้มสการเจ้าค่ะการที่เราให้ทานทำบุญเพื่อจะได้เป็นเพื่อจะได้เป็นอริยทรัพย์ไว้ภายภาคหน้าจะถือว่าเป็นการทำบุญหวังผลไหมเจ้าค่ะและจะยังได้บุญกุศลเต็มที่สมเจตนาหรือไม่เกรงว่าจะกลายเป็นทำทานด้วยกิเลสหรือไม่เจ้าคะ เราควรวางใจอย่างไรจึงจะเหมาะสมอ๋อการกระทําทุกอย่างมันมีผลแตนเราไม่ต้องไปหวังผลขอให้เรารู้ว่าทำอะไรแล้วได้อะไรเป็นปลูกข้าวเราก็รู้ว่าเราต้องได้ข้าวนไม่ต้องไปหวังหวังไม่หวังมันก็ได้ข้าวถ้าไปหวังมากกว่าสิ่งที่ควรได้่างนี้เป็นกิเลสเอานปลูกข้าว ไล่หนึ่งเงยอะแล้วอยากจะได้ผลข้าวสองไร่นี่ยมันก็มันง่าการทําบุญนี้มันก็มีผลอยู่ในตัวของมันคือมันเป็นการสะสมอริยทรัพย์สะสมทรัพย์ไผ่ไงฉะนนเราไม่ต้องไปอยากได้ทรัพย์เพราะมันได้อยู่แล้วฉะนมันไม่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสถ้าเราทําแล้วเรารู้ว่าเราจะได้อะไรนี่ไม่ไม่ได้เป็นกิเลสมันเป็นเหตุผล เป็นหลักของความเป็นจริงทำดีได้ดีเราอยากได้ดีเราก็ต้องทำดีทำทำไม่ดีก็จะได้ไม่ดีฉะนั้นก็ให้รู้หลักอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องกังวลว่ามันเป็นกิเลสแล้วไม่เป็นกิเลสเราไม่ได้ทำด้วยความอยากเราทำด้วยเหตุด้วยผลเหมือนกินข้าวนี่เรากินเพื่อเรากินเพร่ออะไรกินเพร่อทำให้ร่างกายเราอยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็กินแบบไม่มีกิเลส กินด้วยเหตุด้วยผลถ้ากินด้วยกิเลสก็คืออยากจะกินนู่นกินนี่กินเท่าไหร่ก็ไม่พอร่างกายบอกพอแล้วแต่ยังอยากกินอย่างนี้ก็เป็นกิเลสยังก็ต้องสังเกตดูว่าทำอะไรที่มันเกินเหตุเกินผลมันก็จะเป็นกิเลสถ้าทำอะไรที่อยู่ในขอบเขตของเหตุผลมันก็ไม่เป็นกิเลสคำถามจากทางไลน์กราบนมสการเจ้าค่ะ ที่บ้านของลูกมีแมลงสัตว์กัดต่อยเยอะมากเพราะบ้านอยู่ใกล้ป่าเลยถูกเขารบกวนตลอดเช่นมดมแมลงสาบยุงตัวบุ้งตัวนอนลูกจึงใช้วิธียาฉีดตามรอยที่พวกเขาเดินเพื่อป้องกันพวกเขาพากันตายจำนวนมากเมื่อวิถีชีวิตเป็นแบบนี้ศีลจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรเจ้าคะลูกรู้สึกเป็นทุกข์กับการทาแต่ถ้าไม่ทาก็ทุกข์เจ้าค่ะ กราบขอคำแนะนำเจ้าค่ะสาธุก็อยากจะมีศีลก็ต้องไม่ทำนะถ้าทำมันก็มันก็ไม่มีศีลทำไมผ้าอยู่ในป่าอยู่กับป่าไม่เห็นมีปัญหาเลยก็มันก็มาแล้วก็อย่าไปเราอย่าไปฉีดผ้ายาใส่มันสิเราก็กวาดไล่มันไปก่อนออกมันไปแล้วเราค่อยฉีดยากายันอีกทีนึง พอมันมาทีหลังพอมันได้กลิ่นมันก็จะถอยไปรู้จักวิธีทำมันสิแล้วไม่ต้องฉีดรอบบ้านหรอกดูจุดที่มันเดินเท่านั้นเองมันพวกนี้มันจะไปเป็นแถวไม่รถนี้มันจะเดินเป็นขบวนเป็นแถวถ้าเราไปฉีดนิดเดียวตรงทางเดินที่มันเดินพอมันได้กลิ่นมันก็ถอยไปลหมดล้ะมันถอยไปทั้งแถวทั้งขบวนอยงั้นไม่ต้องไปฉีดเราอย่าไปฉีดที่ตัวมัน มันมาก็กวาดมันไปก่อนพอกวาดแล้วเราก็ฉี ด, ดนิดหน่อยตรงทางเดินเท่านั้นนะ่ะพอมันมาเจอกลิ่นมันก็เดินถอยไปแล้วคาถามจากทางไลน์ในการทํางานเรามีความจําเป็นต้องเลี้ยงสุราหรือเบียร์ลูกน้องหรือผู้ร่วมงานโดยปกติเราไม่ได้ไปด้วยแต่ให้เงินไปถือเป็นการกระทําที่ผิดศีล หรือขัดแนวทางมาร์กแปดไหมครับด้วยความเคารพเราเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการดื่มเนี่ยมันก็เราไม่ดื่มมันไม่ผิดแหละแต่แปลงว่าเราไปสนับสนุนให้คนอื่นเขาดื่มให้เขาทําผิดศีลซึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรเราควรสนับสนุนให้คนเขาท ำ, ทำทำทำบุญดีกว่าให้เขารักษาศีลดีกว่าก็อย่าไปเลี้ยงสุรามเท่านั้นก็จบไม่มีปัญหาตรงไหนถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินไม่มาก็ไม่ต้องมา การเล้ยงนี้ไม่จําเป็นต้องเลี้ยงสุราเลยอสุรานี่มีแต่เลี้ยงข้าวเลี้ยงของที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ดีกว่าเลี้ยงสุราเดี๋ยวมันก็มาตีกันในบ้านในที่งานเลี้ยง ก, กันอีกนั่นเปนเลี้ยงทําไมคําถามจากทางไลน์ค่ะมีลูกน้องเป็นคนอารมณ์รุนแรงขี้โมโห เมื่อประเมินผลงานที่เพิ่งผ่านมาลูกน้องได้เกรดไม่ดีไม่เป็นที่พอใจของเขาตอนนี้เขาโกรธไม่คุยกับหนูเลยค่ะและยังส่งผลในบรรยากาศการทำงานที่น่าอึดอัดใจหนูพยายามเมตตาเขาและทําบุญอุทิศให้เขาแต่หนูยังมีความไม่สบายใจและคิดมากเรื่องลูกน้องคนนี้อยู่รบกวนพระอาจารย์เมตตาชี้แนะแนวทางให้หนูด้วยค่ะ ขอบคคุณ ommy, ่ะก uh ็ท huh. ําใจไงอย่างเมื่อกี้ตอนนี้เราอยู่กับเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องก็ห้ามมันร้องไม่ได้มันจะฟ้าผ่ามันจะฟ้าร้องเราก็ต้องทําใจอยู่กับมันไปถ้าเราทําใจได้เราก็จะไม่รู้สึกอึดอัดที่อึดอัดเพราะว่าเราไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ความอยากของเรามันทําให้เราอึดอัดถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้เราห้ามมันไม่ได้เราเปลี่ยนมันไม่ได้ก็ปล่อยมันเป็นไปเราก็จะไม่รู้สึกอึดอัด คำถามจากทางไลน์ค่ะการกำหนดรู้ลมหายใจในระหว่างการทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวันจะทำให้เกิดผลในทางที่ดีบ้างหรือไม่ครับการทำงานนี้บรรดูลมไม่มันดูลมยากควรจะดูการทำงานของเราจะดีกว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะมัวแต่ไปดูลมแล้วเดี๋ยวกำลังทำอะไรอยู่ก็อาจจะทาผิดพลาดได้เอ็นเวลาเราทาอะไรให้เราดูการกระทาของเรา จะได้ประโยชน์เหมือนกันเหมือนกับได้ดูลมคือจิตจะไม่คิดปรุงแต่งจิตก็จะเย็นจตจะจะสบายยัให้มีสติอยู่กับการทํางานเวลาทํางานก็ให้มีสติอยู่กับการทํางานเวลาขับรถก็ให้มีสติอยู่กับการขับรถอย่าไปอยู่กับลมอยู่กับลมเดี๋ยวรถตัดหน้ามันไม่ทันการต้องอยู่กับการขับรถคําถามจากอินบ็อกซ์ค่ะ กราบนมัสการครับเคยได้ยินว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งการฝึกจิตมีกี่วิธีและอะไรบ้างครับวิธีเดียวก็สตินี่นะทำจิตให้สงบควบคุมจิตด้วยสติแต่การจะสร้างสติมันมี40วิธีเรียกว่ากรรมฐาน40ดูลมก็ได้พุโทโธก็ได้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้แล้วแต่ว่าภาวะไหนเหมาะสมแบบไหน การดูลมนี่เหมาะตอนที่เรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมแต่ถ้าเรายังเคลื่อนไหวอยู่ก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าเดินก็ดูที่เท้าว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาถ้ากำลังทำงานใช้แขนใช้มือก็ให้ดูที่แขนที่มือเช่นเวลาแปลงฟันก็ให้ดูที่การแปลงฟันเวลาร่างหน้าก็ดูการล่างหน้าคือคอยควบคุมจิตให้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่น แล้วเวลาเรานั่งเพื่อทำจิตให้สงบมันก็จะสงบได้ง่ายเมื่อสงบแล้วก็จะถือว่าควบคุมจิตได้ฝึกฝนจิตได้จิตที่ได้รับการฝึกฝนก็จะอยู่ในความสงบความสงบก็จะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางปวงคำถามจากย t u b e คุณจงแจ้ง ปฏิบัติตามพระอาจารย์สอนทั้งทานศีลภาวนารู้สึกได้จริงๆว่าใจมีที่พึ่งไม่กลัวตายเหมือนก่อนเมื่อก่อนทำทานอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปฏิบัติไม่กล้าคิดเรื่องตายเราต้องภาวนาเท่านั้นจึงจะถึงที่พึ่งแท้จริงได้ถูกไหมคะกที่พึ่งมันมีหลายระดับระดับทานก็พึ่งได้ระดับ ระดับทางก็พาให้เราไปสวรรค์ระดับศีลก็ทําให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายระดับภาวนาก็ทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปก็เป็น3มระดับก็ต้องไต่เต้าจากระดับที่ง่ายขึ้นไปสู่ระดับที่ยากตามลําดับคําถามจาก f เฟซบุ๊กคุณอุทิศชีวิตกราบน้ัมศการเจ้าค่ะขอเรียน เวลาเวทนาเกิดรุนแรงเช่นปวดหัวถ้าทำสมาธิเต็มจะวางเวทนาได้แต่ผ่อนสมาธิเพื่อทำกิจประจำวันจะมีเวทนาแบบทนได้แต่ไม่สามารถวางเวทนาได้ขาดซึ่งพยายามสอนตัวเองเสมอว่าเวทนามันเกิดเองดับเองอย่าไปยึดแต่ไม่สามารถละได้จริงๆได้แค่สมาธิกราบเรียนถามว่า จะละขาดเวทนาได้จะต้องทําอย่างไรเจ้าคะก็ทําทั้งสองอย่างก็สอนใจว่าต้องปล่อยเวทนามันเป็นของมันเองไปควบคุมบังคับมันไม่ได้สนใจเราเราก็หยุดความอยากที่ใจเรายังทรมานเพราะเรายังอยากให้มันหายอยู่วิธีที่จะทำให้มันหยุดทรมานก็ต้องใช้สติกํากับให้มันอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทโธไปแล้วแต่กรณี ถ้าทำงานอยู่ก็ให้อยู่กับพุโทโธหรื อ, อยู่กับงานที่เราทำไปอย่าไปสนใจกับเวทนาที่เกิดอยมันเกิดไปแล้วใจก็จะไม่ทรมานคำถามจากเฟ e บุ๊กคุณบางอ่อนขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาไปทำบุญที่วัดดิฉันชอบอยู่ช่วยล้างจานที่วัด กับข้าวเหลือเยอะมากเททิ้งแล้วก็ยังเหลืออยู่พระที่วัดอนุญาตให้เอากลับมากินที่บ้านได้เป็นบาปไหมเจ้าคะ่ะไม่เราของก็ให้เรามาถ้าเราไม่ได้ไปขโมยเราถ้าเราเอาโดยเขาไม่อนุญาตถึงจะเป็นบาปถ้าเขาอนุญาตเขาให้เรานี้ไม่ถือว่าเป็นบาปคำถามจากคุณพิมพรกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ เห็นมีคนถามหลายคนว่าทำอย่างไรเวลานั่งสมาธิแล้วจะไม่ให้เกิดทุกขเวทนาและเจ็บปวดค่ะถามค่ะแต่ปัจจุบันนี้หนูนั่งสมาธิแล้วไม่เคยเจ็บปวดหรือมีทุกขเวทนาเลยค่ะนั่งเมื่อไรก็สงบค่ะหนูปฏิบัติถูกทางแล้วไหมเจ้าคะขอคำชี้แนะด้วยเจ้าคะ่ะออเวลาจิตสงบมันก็จะไม่รับรู้เรื่องเวทนา มีไม่มีมันก็เหมือนกับไม่มีนะยันถูกทางแล้วถ้าจิตสงบแล้วจะไม่เกิดเวทนาเวทนาจะเกิดที่ตอนที่จิตยังไม่สงบก็มันก็แล้วแต่ว่าเราปฏิบัติในระดับไหนถ้าเราระดับสมาธิก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเวทนาทําจิตให้สงบอย่างเดียวถ้าจิตสงบแล้วเราก็ได้สมาธิ แต่ถ้าเราอยู่ขั้นปัญญาเราอยากจะได้ปัญญาเราก็ต้องนั่งแบบไม่ให้มันสงบนั่งแบบไม่ให้มันสงบเต็มที่นั่งแบบให้เกิดความเจ็บขึ้นมาหรือว่าเวลาสงบก็นั่งไปเรื่อยๆจะพอถึงเวลาที่ออกจากความสงบมันอยากจะลุกก็อยากเป็นลุกนั่งต่อไปนั่งไปจนกว่าเดี๋ยวมันก็จะเกิดความเจ็บขึ้นมาพอเกิดความเจ็บที่นี่เราก็จะได้ใช้ความเจ็บนี้เป็นหินลับปัญญา คือเราต้องพิจารณาความเจ็บว่ามันเกิดขึ้นเองดับเองเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้วิธีอยู่กับมันก็คือเราอย่าไปอยากให้มันหายเวลามันเกิดถ้าเราหยุดความอยากให้มันหายได้เราก็จะอยู่กับมันได้นี่เรียกวิวปัสสนาแล้วต่อไปเวลาเจอความเจ็บปวดจะไม่เดือดร้อนจะอยู่กับมันได้คาถามจากคุณทยากอน เวลากโกรธจะมีอารมณ์แต่จะควบคุมสติพุทโธพุทโธให้นิ่งเพื่อไม่ให้รู้สึกโกรธต้องใช้เวลานานถึงจะนิ่งได้เราจะทำอย่างไรให้มีสติเร็วกว่าอารมณ์นั้นได้คะก็ต้องฝึกบ่อยๆต้องมันพุทโธอยู่บ่อยๆคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆพอรู้ว่ามันจะโกรธล้วก็หยุดมันได้ถ้าเรามีสติถ้ามีสติน้อยมันโกรธมันโกรธแล้วถึงจะรู้ตัว ก็ต้องดึงสติกับมามันถึงจะมันถึงจะหายโกรธได้คําถามจากคุณธเนศกราบนามัสการเป็นทหารตายเพื่อชาติฆ่าศัตรูจะได้บาปหรือได้บุญบาปสิฆ่าใครกันไม่ว่าฆ่าเพื่อใครมันก็บาปอันนี้บาปแบบเดรลฉานไงเดลฉามมันก็ฆ่าเพื่อให้มันตัวมันอยู่รอดเราฆ่าเพื่อชาติก็เพื่อตัวเราให้อยู่รอด มันก็ยังเป็นเดรัจฉานอยู่แต่ไม่ได้เป็นเปรตเพราะเราไม่ได้ฆ่าด้วยความโลภไม่ได้เป็นอสูรกายเพราะเราไม่ได้ฆ่าด้วยความกลัวไม่เป็นนรกเพราะเราไม่ได้ฆ่าด้วยความอาฆาตพยาบาทแต่เราฆ่าเพราะเราต้องรักษาชีวิตของเราแล้วก็เป็นเดรัจฉานไปคําถามจากคุณสมาธิปัญญากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเรานั่งสมาธิแล้วจิตหนักอึ้อง แน่นหน้าอกเลยผ่อนลมเบาๆลงเรื่อยๆจนจิตสงบและตกหลุมอากาศคนลุกขนพองจิตเหมือนสงบแล้วกลับมาดูลมหายใจใหม่แล้วตกหลุมอากาศใหม่แต่ไม่บ่อยแบบนี้ดิฉันทำถูกไหมคะถูกแล้วนะคำถามจากคุณจันเพนดำริกล้า มีสัตว์เข้ามาในห้องน้ำหลายอย่างค่ะแล้วต้องฉีดน้ำไล่ลงท่อจะบาปมากไหมคะถ้ามัน<ข>ตายก็บาปนะถ้าตายมากก็บาปมากตายน้อยตายน้อยก็บาปน้อยคำถามจากคุณคริสปี้กราบพระอาจารย์ค่ะเรียนถามเวลาที่นั่งภาวนาไปนานๆ พุโทโธมันหายนึกไม่ออกเลยทีเดียวแสดงว่าจิตรวมหรือยังคะให้เราสักแต่ว่ารู้ใช่ไหมคะถ้ามันต้องเหมือนกับตกหลุมตกบ่อแล้วนิ่งสงบมีความสุขหายแบบนี้ไม่เป็นไรถ้าหายแบบยังไม่มีอาการอะไรก็แสดงว่าสติหายไมไ่จิตไม่ได้สงบถ้าจิตสงบแล้วมันจะมีอาการที่มหัศจรรย์ใจเบา อ, อกเบาใจสุขใจ ตอนนั้นไม่ต้องพุโทโธเพราะจิตนิ่งไม่คิดอะไรถ้ายังคิดอยู่แล้วพุโทโธหายก็แสดงแสดงว่าสติหายไปความคิดยังอยู่ใช้ไม่ได้แบบนี้ใช้ไม่ได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการทําสมาธิจําเป็นต้องนั่งทําได้อย่างเดียวหรือว่านอนและเดินจะสามารถทําได้ไหมคะอ๋อจะนิ่งสงบเต็มที่ต้องนั่งถ้านอนมันจะหลับ ถ้าเดินมันก็ไม่นิ่งสงบเต็มที่เพราะจิตยังเคลื่อนไหวอยู่จิตยังสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่จิตยังทํางานอยู่ถ้าต้องการให้จิตจิตนิ่งเต็มที่ต้องอยู่ในท่านั่งถ้าท่านอนมันจะหลับคําถามจากทางไลน์กราบเรียนถามพระอาจารย์ในศีลห้าข้อผิดศีลข้อที่หนึ่งถือว่าบาปมากกว่าศีลข้ออื่นใช่หรือไม่คะ ถ้าไล่จากความบาปมากที่สุดไปหาน้อยตามลำดับของสีลห้าใช่หรือไม่เจ้าคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะถ้ามันมันหนักกว่าลักทรัพย์ลักทรัพย์มันหนักกว่าการประพฤติผิดประเวณีการประพฤติผิดประเวณีก็หนักกว่าการโกหกการโกหกก็ก็หนักกว่าการดื่มชัวรายามเมาคำถามจากคุณสิริพรถามพระอาจารย์ค่ะว่าขณะขับรถ เราสามารถภาวนาพุโทโธได้หรือไม่คะหรือเราควรทำจิตให้รู้อยู่ว่าขับรถคะก็ต้องให้จิตอยู่กับการขับรถเป็นหลักแต่ถ้าจิตขับไปก็ยังคิดอยู่ก็เราก็ใช้พุโทโธหยุดความคิดได้ควบคู่ไปกับการขับรถแต่ต้องถือการขับรถเป็นเป็นงานหลักแล้วก็พุโทโธเป็นงานหยุดความคิดที่ทาให้จิตไม่ได้อยู่กับการขับรถ ถามจากครูแดงกราดนามัสการพระอาจารย์จะแก้ไขอารมณ์ที่เบื่อสังคมและคนรอบข้างที่เห็นแก่ตัวอย่างไรก็ทำใจให้สงบใจไม่สงบมันก็คิดปรุงแต่งไปเห็นอะไรที่ไม่ชอบใจมันก็ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าทำใจให้สงบทำใจไม่ให้คิดให้เห็นเฉยเฉยมันไม่ไปปรุงแต่งกับสิ่งที่เราเห็นมันก็จะไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมา เห็นเวลาเกิดอารมณ์ก็ให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปคําถามจากคุณสิริพร อ, อยากถามพระอาจารย์ว่าเวลานั่งสมาธิตอนแรกนั่งก็อยู่กับลมหายใจพุโทโธแล้วต่อมานั่งก็รู้แต่คําว่าพุโทโธเคลิมแต่จิตยังอยู่กับพุโทโธค่ะจนหัวคมําอันนั้นคืออาการอย่างไรคะถ้าหัวคมําก็หลับเลย ดับประงกต์แนางว่าสติไม่มีกําลังพอคําถามจากคุณสาลินีผู้พิพากษาตัดสินคดีประหารชีวิตคนทําผิดบาปไหมคะไม่ได้ทำด้วยอตัตติแต่ทําตามหน้าที่ก็าบาปอะเพราะเป็นคนสั่งให้เขาฆ่าผู้ผู้พิพากษาเป็นคนสั่งให้เขขพชฌฆาตเป็นคนฆานคน่าการทาบาปนี้บาป ไม่ว่าทำเองก็ดีหรือสั่งให้คนอื่นก็ททำก็ดีก็บาปถึงแม้ว่าจะเป็นไปตามตามความเป็นจริงตามกฎหมายอะไรก็ตามแต่กฎหมายธรรมะมันห้ามไม่ให้ฆ่าก็ตัดสินบาฮนอย่าไปตัดสินบาฮนชีวิตสิตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไปก็จะไม่บาปนะกักขังเขาไม่บาปแต่ข่าเขาบาปเหตนถ้าเป็นชาวพุทธถ้าผู้รักษาเป็นชาวพุทธก็ ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไปก็ไม่บาปนะแต่ถ้าตัดสินให้เขาพิกให้เขาถึงแก่ชีวิตก็เป็นการสั่งสั่งให้เพชฌาตเป็นคนฆ่าทำเองก็ดีหรือสั่งให้คนอื่นทำก็บาปเหมือนกันคาถามจาก YouTube กราบพระอาจารย์ด้วยความเคารพอยากเรียนถามว่า จิตกับสมองมีหน้าที่ทํางานต่างกันอย่างไรครับแล้ออสมองมีหน้าที่ควบคุมการทํางานของร่างกายประสาทต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆของแขนขาของอวัยวะต่างๆนี้มีสมองเป็นตัวตัวควบคุมส่วนจิตนี้เป็นผู้สั่งสั่งสมององีกทีนึงสั่งให้สมองสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวสั่งให้ยกแขนยกขานี้ จิตสั่งผ่านทางสมองสมองก็จะสั่งให้แขนยกแขนยกขาขึ้นมาถ้าเปรียบเทียบสมองก็เป็นเหมือนเครื่องคอมที่ติดอยู่ในรถยนต์สมัยนี้เครื่องคอมนี้เขาก็มีไว้สำหรับควบคุมการทำงานของรถยนต์แบบสั่งให้มันควบคุมเครื่องปรับอากาศควบคุมไฟฟ้าเครื่องควบคุมที่ปัดน้าฝนอะไรก็เป็นใช้คอม คอยควบคุมการทำงานของรถยนต์ส่วนคนขับก็เป็นคนสั่งสมองอีกทีสั่งคอมอีกทีต้องการให้มัน เ, เปิดไฟก็สั่งให้มันเปิดไฟจิตก็คือคนขับที่คอยสั่งให้สมองสั่งร่างกายอีกทีนึงร่างกายจะเคลื่อนไหวได้ต้ออยู่ที่สมองเป็นผู้สั่งสมองจะเคลื่อนไหวได้ก็ต้องอยู่ที่จิตเป็นคนผู้สั่งสมองอีกทีหนึ่ง ในธรรมชาติจิตจิตับต้องได้ไหมครับอาจายจิตไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นเป็นตัวรู้ตัวคิดตัวรู้สึกเนี่ยร่างกายไม่ใช่ตัวรู้สึกตัวรู้สึกไม่ใช่ร่างกายใครตีหัวร่างกายร่างกายมันไม่เดือดร้อนะไม่รู้ว่ามันเจ็บผู้ที่รู้เจ็บคือจิตถ้าอย่างนั้นกรณีที่สมองตายจิตก็สั่งอะไรไม่ได้ก็มันสมองเหมือนกับรถเนี่ยเครื่องความเสียสั่งให้มันเปิดไฟมันก็ไม่เปิด ก็คนรถคนขับรถก็ยังอยู่ไม่ใช่จิตก็เหมือนคนขับรถแต่ถ้าเป็นกรณีนั้ก็ปฏิบัติอะไรได้แนละ้ว<ะ>ถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นนะเจ้คะก็ปฏิบัติต่อไม่ได้หรือเปล่าจะขยันคนที่สมอง อ, อ๋อได้ถ้าถ้าเคยปฏิบัติอยู่ก็ปฏิบัติได้เพราะมันจิตจะควบคุมจิตเงี้ยมันจิตไม่ได้มาควบคุมร่างกายการปฏิบัตินี้เพื่อควบคุมจิตให้สงบ อ, อ๋อสมมุติว่าพอจิตสั่งร่างกายไม่ได้ถ้ามันเกิดหงุดหงิดลำทางก็ เราก็หยุดมันได้ถ้าเรามีสติ mm hmm. ก็อย่าไปหุดหงิดกับร่างกายปล่อยมัน mm hmm. เมื่อใช้ร่างกายไม่ได้ก็ปล่อยมันไปจิตก็สงบอยู่เฉยๆไปเพราะการอยู่เฉยๆของจิตก็คือความสุขอยู่แล้วนั้นจิตจะไม่เดือดร้อนถ้ามีความสงบมันจะเดือดร้อนตอนเมื่อมันมันไม่สงบแล้วมันอยากจะใช้ร่างกายแล้วใช้ไม่ได้ ต, ตอนนั้นอ่ะมันจะทรมาน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามแล้วคนที่เริ่มทําใหม่จะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราทําได้หรือทําเป็นแล้วกับการนั่งสมาธิค่ะก็เหมือนกับทุกอย่างอะพิมพ์ดินตอนต้นมันเครื่มพิมพ์มันพิมพ์ได้หรือเปล่ามันก็ต้องหัดไปทําตามที่เขาสอนไปเรื่อยๆเวลาไปหัดเรียนพิมพ์ดิษเราก็ไม่รู้เราจะทําได้หรือเปล่าแต่พอเราไปทําไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ทําได้ขี่จักรยานก็เหมือนกันว่ายน้ําก็เหมือนกัน ตอนต้นเราก็ไม่รู้เราจะไหว้ได้หรือเปล่าเราก็ทําตามที่เขาสอนไปต่อไปมันก็ไหว้ได้เขาสอนให้เราพูดโธแล้วก็พูดโธไปต่อไปเราก็พูดโทได้พอพูดโทได้เราก็นั่งเฉยๆได้จิตก็สงบได้นั้นของพวกนี้มันไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปกังวลขอให้เราทําตามที่เขาสอนกันรล้วกันแล้วก็จะได้กันทุกคนที่ไม่ได้ก็เพราะมันไม่ทําตามมันหรือทํา ทำไม่มากทำพอหอมปากหอมคอแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่ได้ไม่ได้เรื่องชาตินี้ไม่มีวาสนาละไปเที่ยวดีกว่ามันก็เลยไม่ได้กันคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะเออหมดแล้วก็ดีมีใครอยากจะถามอีกไหมกราบนสศการนะคะที่พอาจารย์บอกว่าถ้าสั่งมาชิด เกิดสมัยก่อนที่ทหารเขาเกิดสงครามแล้วไปสู้รบอันอย่างเงี้ยแล้วกษัตรย์ก็สั่งคือกษัตริย์ออกสู้รบไ้เป็นแม่ทัพนี้ก็ต้องบาป ก, ก็บาปด้วยกันทั้งนั้นแหละเ <c oughs> พราะพระเจ้าถึงไม่ไปเป็นหมหาจั ก, กรพรรดิไงเพราะท่านรู้ว่าเป็นแล้วก็ต้องไปฆ่าคนไปสั่งให้เขาฆ่าคนท่านก็เลยไปบวช ด, ดีกว่าถ้าไม่อยากจะทําบาป ก, ก็ไปบวชซะถ้าอยากจะเป็นจั ก, กรพรรดิก็ไปก็ไปทําบาปนั้นทหารก็ต้องเกิดมาเป็นเป็นสัตว์ ใช่ไหมคะที่เป็นฆ่าเขาอก็สัตว์แบบสิงสาราสัตว์กัดกินผู้อื่นเพื่ออยู่รอดสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์ทุกชนิดมันก็ต้องฆ่ามันถึงจะอยู่ได้นอกจากสัตว์ที่มันกินผักกินเนื้ออ้ยกินผักกินหญ้ามันก็ไม่ต้องฆ่าขอบคุณมากค่ะกลับมาอชงกลับมาต่อไปต้องมีวิธีไม่ลอยแบบไม่ต้อง ไม่ต้องใช้มือยืน่นใช้วายเลยใช้ให้มันลอยไปเองพ <laughs> ระอาจารย์เจ้าคะถ้าสมมติว่าเวลาที่เราเดูดูความรู้สึกดูกายหรือดูจิตเนี่ยบางทีเราอาจจะเริ่มจากดูกายก่อนแต่บางครั้งจิตมันชัดกว่ามันก็จะไปอยู่ที่จิตแล้วมันก็สลับกลับมาอยู่ที่กายอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค ะ, คะก็ดูเพื่ออะไรล่ะดูที่จะให้ เกิดความสงบนะเจ้าค่ะแล้วมันสงบว่าบ่ามันก็รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อ่ะเจ้าะก็ะมันรู้ตัวแต่มันไม่สงบจ า, จากสงบมันต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพูดโทรแล้ว อ, อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเแต่เ พ, เพื่อไม่ให้มันคิดเป้าหมายคือไม่ให้มันคิด แต่การเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยก็คือสมมติดูลมหายใจเข้าออกก็ดูที่การกระเพื่อมขึ้นอยู่ตรงกลางหน้าอกก็ได้ที่ปลายจมูกก็ได้ดูตอนที่ลมสัมผัสเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้แล้วทีนี้เวลาเดินจงกรมเหรอเจ้าคะถ้าส ม, มมติว่าเราอยู่ที่ความรู้ตัวเราจะรู้ว่าเรามี movement แต่ถ้าสม ม, มติว่าจะไปดูที่ฝ่าเท้าอย่างนั้นจะเป็นการ อย่างไหนจะถูกต้องเจ้าค่ะเป็นการเพ่งหรือเปล่าเจ้าค่ะถ้าไปดูที่ทางก็ได้เพ่งไงยังต้องให้เพ่งไงเพื่อไม่ให้ไปคิดเนี่ยเป้าหมายก็คือไม่ให้ไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้อะจะเพ่งหรือจะดูที่ความรู้ตัวทั่วพร้อมก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะกลัวจะดูแล้วมันจะคิดเนี่ยดูความรู้ตัวแล้วมันถ้าจะเอาความสงบเพ่งก็ไม่เป็นไรเอาเป็นจุดๆใช่ไหมค่ะเอาจุดเรื่องเดียวถ้าไปดูความรู้แล้วมันเดี๋ยวมันจะมันจะคิดให้อยู่กับเรื่องเดียวจะดีกว่า จะไปอยู่กับความรู้สึกเดี๋ยวเมื่อมันก็รู้สึกนู่นรู้สึกนี่ไปตามเรื่องของมันให้มันอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับเท้าเวลาเดินก็อยู่กับเท้าเวลานั่งก็อยู่กับลมเนื่องจะใช้พุโทโธอย่างเดียวอย่างนี้จะดีกว่าอต่อมีคําถามเข้ามาไหมยังไม่มีเจ้าค่ ะ, ะยังไม่มีเลยเน้นการดูจิตนี่มันไม่ใช่เป็นวิธีทําจิตให้สงบเพราะดูจิตจิตมันจะปรุงแต่งไปเรื่อย เราไม่ต้องการให้มันปรุงแต่งเราอย่าไปดูจิตเราต้องดูอย่างอื่นดูลมดูร่างกายหรือพุโทโธไปมันถึงมันถึงจะสงบได้การดูจิตนี่มันขั้นวิปัสสนาเข้าใจไหขั้นปัญญาขั้นที่เรามีสติมีสมาธิแล้วเราถึงเราจะดูจิตดูว่ามันโลภหรือเปล่ามันโกรธหรือเปล่าถ้าดูแล้วถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็จะหยุดมันได้ ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิดูมันเวลามันโลภ ก, ก็หยุดมันไม่ได้เวลามันโกรธก็หยุดมันไม่ได้เห็นขั้นดูจิตนี้ต้องรอให้ผ่านขั้นสมาธิไปก่อนถึงจะดูได้แต่ถ้าระหว่างวันลใะใคะก็เรามันก็อย่าไปดูมันสิถ้าถ้าระหว่างวันสมมติว่าเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเราก็รู้สึกอย่าไปรู้เสียก็หยุดมันเสรจพุดโธพุดโธไปยังไม่ต้องขึ้นขั้นปัญญาวิปัสนาเอาสมาธิก่อนใช่ไหมใช่ค่ะถ้าหยุดมันได้ก็หยุดสิ ถ้ามันโลภหยุดมันได้ก็หยุดกลัวมันังไม่หยุดนั่นเองถ้าหยุดมันได้ก็หยุดถ้าหยุดมันไม่ได้ก็ต้องใช้พูดโทรหยุดมันอย่าไปตามมันเดี๋ยวมันโลภอยากกินกาแฟก็ตามมันไปอ้าวอยากกินกาแฟก็ไปกินกาแฟอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะเราต้องการให้จิตอยู่กับความสงบอย่างเดียวไม่ให้จิตไปเสพอย่างอื่น คำถามจากคุณสาลินีการทำบุญถวายลงศพให้แก่วัด mm. เพื่อนำไปบริจาคแก่พระภิกษุที่ไม่มีญาติและคนยากจน mm. เพื่อต่ออายุตนเอง mm. คิดถูกทำถูกไหมคะมันไม่ต่อหรอกอายุจากการทำบุญจะเป็นลงศพหรือเป็นอะไรก็ตามมันเป็นการทำทานมันเป็นการให้อาหารใจให้ความอิ่มใจสุขใจทำใจให้เป็นเทวดาขึ้นมา แต่เรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่มีใครไปควบคุมไปสั่งมันได้มันแล้วแต่เหตุปัจจัยต่างๆที่ทําให้คนเราตายเร็วตายช้ามันมีเหตุมีปัจจัยของมันนั่นการทําบุญทําทานนี้ไม่ได้เป็นการไปต่ออายุหรืออะไรเห็นก็ดีแตใครจะตายก็ไปถวายลงศพกันเดี๋ยวยังอยู่ต่ออีกสิบปีคํถาถามจากคุณพันธิภา การบริจาคทานเช่นการออกโรงทานหรือให้เด็กด้อยโอกาสจะได้บุญเท่ากับการใส่บาตรพระไหมคะก็เหมือนกันน อ, อย่างที่บอกอยู่ที่เราเบริจาคเท่าไหร่สัดส่วนของเงินที่เรามีอยู่เราเบริจาคเท่านั้นไม่ว่าจะให้ใครเหมือนกันหมดเพราะเราก็บริจาคเท่านั้นคนรับไม่เกี่ยวเรื่องของบุญนี้ไม่คนรับไม่เกี่ยวคนรับจะเกี่ยวว่าประโยชน์ที่เขาจะไปทาต่อ เช่นเราเลี้ยงพระพระก็จะได้มีกำลังไปเรียนหนังสือไปปฏิบัติธรรมเขาก็ได้ไปทำประโยชน์ทางธรรมไปเลี้ยงเด็กกำพร้าก็จะทำให้เด็กกำพร้ามีมีที่อยู่ ม, มีมีอาหารกินจะได้ไม่ต้องไปเป็นขอทานไปเป็นภาระของสังคมหรือไปลักไปขโมยมันก็มีประโยชน์ต่างกันแต่บุญที่เราได้จากการทำบริจากทรัพย์ของเรานี้มันเท่ากัน มากน้อยอยู่ที่ปริมาณที่เราทำมากน้อยทำมากก็จะได้บุญมากทำน้อยก็จะได้บุญน้อยไม่ได้อยู่ที่ผู้รับอยู่ที่ปริมาณของการให้ส่วนผู้รับนี้เขาจะเอาไปทำประโยชน์หรือทำโทษก็อยู่ที่ผู้รับบ ร, บริจกทรัพยให้กับพวกโจรพวกโจรเขาก็จะไปซื้ออาวุธมาป้อนเราอีกทีคำถามจากคุณกิติยา กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรานั่งสมาธิถึงขั้นต้องเปลี่ยนไปเจริญปัญญาขอคําแนะนําเจ้าค่ะทําไปก่อนเนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเองอการปฏิบัติต้องมีอาจารย์สอนเรียนเทนนิสเรียนตีกอล์ฟก็ต้องมีครูสอนไม่ใช่จะเรียนเองต้องเรียนแล้วก็ทําไปแล้วก็มารายงานว่าทําไปถึงไหน แล้วครูก็จะบอกต่อไปว่าให้ทำอะไรต่อไปคำถามจากคุณพรสั่งยืมเงินคนขอยืมเงินคนอื่นทาบุญและคืนให้เขาทีหลังแบบนี้เราจะได้บุญไหมครับถ้าคืนก็ได้ถ้ายังไม่คืนก็ไม่ได้ถือว่าขาโมยเงินได้เหมือนกันแต่ได้บาปด้วยเกิดไปก็หลกกลวงเขาไปขโมยเงินเขามาแล้วก็มาทาบุญ เงินที่เราทำบุญก็เป็นบุญแต่เงินที่เราได้มาด้วยการทำบาปก็เป็นบาปคำถามจากคุณคริสปี้การนั่งสมาธินั่งในท่าผาเพียบได้ไหมคะและนั่งในท่าไหนถึงจะนั่งได้นานกว่าถ้านั่งนานที่สุดก็นั่งขัดสมาธิตามแบบพระพุทธรูปขวาทับซ้ายแยาจะนั่งท่าอื่นก็นั่งได้แต่จะนั่งไม่ได้ดีเท่ากับท่านั่งขัดสมาธิ เหมือนกับตีเทนนิสเล่นแบดตีแบดนี่เขาก็จะมีวิธีจับจับไม้ว่าใช้จับอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์ดีที่สุดการกระทำไปทุกอย่างนี่มันจะมีวิธีที่ดีที่สุดนี่นการนั่งสมาธิท่านั่งที่ดีที่สุดก็คือถ้านั่งขัดสมาธิแต่ท้านั่งไม่ได้ก็ก็ไม่ได้ห้ามก็ยังสามารถทำสมาธิได้อยู่แต่ผลจะเกิดอาจจะไม่ดีเท่า คำถามจากคุณฤทธ์กราบนมัสการเจ้าค่ะเวลาทำบุญแล้วทางวัดเราติดชื่อเราไปแต่เราไม่ยึดติดแต่ทางวัดบอกว่าคนจะได้อนุโมทนาบุญกับเราแต่เวลาเราทำไปแล้วไม่ยึดติดกับตรงนั้นอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะก็ได้ถ้าเราไม่ได้มีไม่ได้สั่งเขาบอกเขาว่าให้ประกาศชื่อเป็นธรรมเนียมของเขาเขาอยากจะประกาศชื่อ หถ้าเราไม่ต้องการให้ใครรับรู้ก็บอกเขาว่าให้ใส่ว่าผู้ไม่ประสงค์ออกนามไปก็ได้คําถามจากคุณทูบ ก, การดูแลผู้ป่วยต้องวางใจแล้วทําอย่างไรถึงจะรองรับอารมณ์ของผู้ป่วยได้เจ้าคะก็ต้องมีความเมตตาต้องมีความสงสารอแล้วก็ต้องเอาใจเขาอย่าเอาใจเรา ส่วนใหญ่คนดูแลมักจะเอาใจตัวเองเอาคนไข้ให้มาตามใจคนคนดูแลพอคนไข้ไม่ทำตามที่คนดูแลให้อยากให้ทำก็เลยคนดูแลก็เลยอารมณ์เสียขึ้นมาถ้าไม่อยากอารมณ์เสียต้องเอาใจคนไข้ตามใจคนไข้อย่าเอาใจตัวเองอย่าเอาใจตัวคนดูแลคำถามจากคุณเฟิร์น ทำบุญกับพระปฏิบัติได้บุญกุศลมากกว่าหรือไม่เจ้าคะก็เหมือนกันไงหัวทำบุญมากน้อยอยู่ที่เงินที่เราทำไปทำกับพระปฏิบัติทำกับหมามันก็ได้บุญเท่ากันถ้าเงินจํานวนเท่ากันแต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากหมากับพระนี่ไม่เหมือนกันถ้าทำปฏิบัติทำกับพระปฏิบัติทํากับพระที่รู้ธรรมะก็อาจจะได้ธรรมะถ้าเราคุยธรรมะกับท่านเราก็จะได้ธรรมะ ทำกับหมามันก็จะเลียเรามันก็จะเห่าให้เรามันก็ได้ต่างกันตรงนั้นแต่บุญที่เกิดจากการทำนี่มันอยู่ที่ปริมาณเสียสละของเราเราเสียสละมากก็ได้บุญมากเสียสละน้อยก็ได้บุญน้อยไม่ว่าจะทำกับใครก็ต่างคำถามจาก YouTube สอบถามครับแม่ชวนไปวัดแห่งหนึ่งเพื่อแก้ปีชงเพราะปีนี้ผมปีชง แต่ผมไม่ไปเพราะผมเชื่อเรื่องเวรกรรมถ้าจะตายเพราะปีชงจริงผมก็ยินดีตายแบบนี้ผมคิดถูกต้องไหมครับถูกแล้วแหละมันไม่มีหรอกปีชงปีชา ม, มีคนเขาสมมติกันขึ้นมาก่อนเราจะเป็นจะตายจะอายุสั้นอายุยาวอยู่ที่เวบุญกรรมที่เราทํามาส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันเราดำเราดาลงชีวิตเราอย่างไร ดำรงด้วยความประมาทเรือด้วยความรอบครอบถ้าประมาทไปกินเหล้าขับรถขับรถไปก็อาจจะเกิด อ, อุบัติเหตุตายได้จะเป็นปีชงก็ไม่เป็นปีชงก็ตามคำถามจากคุณไอซ์เบอรี่กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าระหว่างช่วงเวลาที่หนูฝึกสติระหว่างวัน หนูดูการเคลื่อนไหวของกายแต่ขณะเดียวกันหนูก็เห็นจิตในเวลาเดียวกันเป็นแบบนี้หนูต้องแก้ไขไหมคะก็อย่าไปดูจิตให้ดูกายไปให้มันอยู่กับเรื่องเดียวมันแวบไปแวบมามันดูกายแล้วก็แวบไปดูจิตเนี่ยให้ดูกายอย่างเดียวอย่าไปดูจิตคำถามของโยมโจ การดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมหลวงตาได้อานิสง์ขนาดไหนครับก็ได้ได้ได้ธรรมทานไได้เผยแผ่ธรรมการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงเหมือนพวกญาติโยมที่มาประกาศเนี่ยมาประกาศคําถามนี่มาถ่ายทอดสดนี่ก็เหมือนกันก็เหมือนดูแลเสียงเสียงธรรมเหมือนกันเผยแผ่เสียงธรรมก็เป็นการทําธรรมทาน เป็นการทำให้มีการเผยแผ่ธรรมได้อย่างสะดวกถ้าไม่มีคนมาถามก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามคนที่ส่งเข้ามาได้ถ้าไม่มีคนมาคอยควบคุมกล้องควบคุมะระบบต่างๆที่จะถ่ายทอดก็จะไม่สามารถเผยแผ่ธรรมในขณะนี้ได้งนั้นผู้ที่มาทำงานเหล่านี้ก็เรียกว่ามาทำธรรมาทานซึ่งเป็นการให้ธรรม เป็นการให้ทิชนะการให้ทั้งปวงเพราะให้อะไรก็ไม่ดีเท่ากับให้ธรรมะเพราะธรรมะเท่านั้นที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ให้เงินให้ทองให้สมบัติเข้าของเงินทองก็ยังหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้คำถามข้อสุดท้ายคำถามจากคุณเฉลิมพง์ถ้าศีลห้าเราขาดคือรักษาไม่ได้ในวันนั้นจะสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้ไหมครับ ได้มันไม่ได้อยู่ที่ศีลอย่างเดียวเพียงแต่ว่าศีลอาจจะทําให้มันยากเช่นเราไปกินเหล้าอย่างนี้วันนั้นไปกินเหล้าแล้วไปนั่งสมาธิก็อย่าไปหวังเลยถ้าเมาแล้วมันไม่มีสติหรือไปมีเรื่องกับเขาไปขโมยไปฆ่าคนนิจใจมันก็วุ่นแล้วสิจะไม่ให้นั่งพุโทโธพุโทโธมันก็ไม่มันไม่เอาแล้ ว, ลวมันจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องตารวจแล้วมันจะคิดแต่ตารวจตารวจ